เจริญพรพวกเราทุกคนเลยมีทั้งบานศพมีทั้งบาทศีกาก็วันนี้เสียงสวมดมนต์ก็แน่นเนาะแน่น <N an> มากเลยถ้าเป็นบงก็วันนี้แบบว่าอืเข้ากันดีมากเลยบางทีเวลาจับไม่แบบว่าพากันสวนมดมนต์เนาะ เราบ้าก็ต้องระวังตัวแต่ว่าระวังตัวก็หมายถึงว่าเหมือนกับเราก็ต้องออกเสียงให้เป็นปกติที่สุดนะออกเสียงให้เป็นปกติที่สุดก็คือไม่มีการดัดไม่มีการบีบไม่มีการอะไรต่างๆนาๆ น, า, นาเหล่านี้แต่ว่านั่นคือเป็นความตั้งใจเนาะเป็นความตั้งใจจะส่วนร่างกายมันจะพร้อมหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะว่า ร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตใจมันก็ส่วนหนึ่งบางทีมันก็ทำงานไม่สัมพันธ์กันอย่างเมื่อเช้านี่ก็พอเริ่มสวจก็ปรกากฏว่า ม, มันก็มีเสมหะนะเสมหะเป็นเจ้าเรือนอายุมากแล้วก็เสมหะมันก็พันนขอแต่จริงๆหลวงา่อว่าการที่มีเสมหะนี่มันมันเป็นการที่ร่างกายมันแสดงความเป็นทุกข์เนาะ คือมันเหมือนกับอย่ํางหลวงพ่อสังเกตนะอย่างที่วัดเนี่ยทันเช้าเราจะสวดมนต์เงินตอนตีสี่ตีสี่ครึเนี่ยตีสี่ตีสี่ครึ่งนี่หมายถึงว่าสําหรับหนมงพ่อเองหรือบ้างก็จะฉันน้ําเนาะฉันน้ําอย่างเดียวก่อนไม่ไม่ฉันอย่างอื่นถ้าฉันน้ําอย่างเดียวก่อนเนี่ยร่างกายมันก็จะไม่ถูกลบกวนไม่ถูกลบกวนได้อะไรเราก็เหมือนกับ ว, ว่าเราแปลงฟันล่างหน้า ชำ น, น้ำเรียบร้อยเนี่ยก็เสมหะจะไม่ค่อยมีแต่ปรากฏว่าพอเราเริ่มรับอาหารก็ไปเนี่ยหลังจากที่อาหารผ่านลำคอผ่านในเนะดือนานารสชาติแล้วก็ประเภทของอาหารเนี่ยผมว่ามันทำให้ร่างกายส่วนต่างๆที่สัมผัสกับอาหารตรงนั้นเนาะมันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นความไม่ปกติของมันนะ่ะเนี้ย อันนี้หลวงพ่อสังเกตส่วนตัวนะว่าถ้าเกิดว่ามันไหนฉันของเปรี้ยวเนาะที่มันเหมือนกับว่ามีความเปรี้ยวต่อเนื่องกันสักแบบว่าเปรี้ยวเปรี้ยวในระดับหนึ่งนะเปรี้ยวอาจจะเปรี้ยวมากสักหน่อยหนึ่งนะสมมุติหากว่าฉันต่อเนื่องกันเป็นปริมาณถ้าเป็นน้ําก็อาจจะเป็นประมาณสักสองร้อยซีซีเนี่ยนี่เหมือนกับ ปุ๊ผนังผนังในลําคอเนี้ยมันจะฟูฟูมันจะมันจะมีลักษณะฟูฟูขึ้นมานะคือคือมันเหมือนกับมันอาจจะถูกความเปรี้ยวมันกระตุ้นอันนี้อันนี้สังเกตสังเกตมาว่าเฉพาะรดเปรี้ยวนะสําหรับหลวงพ่อเนาะคนอื่นนี่นี่หลวงพ่อไม่ทราบแล้วก็ความมันฟูฟูขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เราออกเสียงยากหรือว่าถ้าเป็นของหวานเนี่ยถ้าเป็นของหวานถ้ามี ของรสหวานเขไปน้ําลายมันจะเหนียวนะแล้วมันก็เท่ากันว่าก่อตัวอยู่ตรงเนี้ยตรงตรงส่วนใกล้ๆกับหลอดลมใกล้ๆกับลิ้นไก่อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมาพัวพัวพันพันกับลิ้นไก่ตอนเวลาที่เราออกเสียงเพราะว่ามันเหมือนกับเสมามันก็จะเหนียวแล้วมันก็จะทาให้ลิ้นไก่มันมันไม่เป็นอิสระอย่างเงี้ยพอเป็นอย่างนั้นก็ออกเสียงก็จะยากนั่นคือพอเวลาที่ตันเช้าเนี่ยถ้าเกิดว่า อย่างที่นี้เราฉนานอาหารเสร็จนะแล้วก็อีกแป๊บหนึ่งก็มามามรมบัตรเนี่ยมันเหมือนกับในช่วงแรกๆเนี่ยประมาณสักหนาที10นาทีบางทีร่างกายมันก็จะค่อยๆปรับค่อยๆปรับมันดีก็มันก็ต้องเหมือนกับว่าคล้ายๆช่วยนะช่วยเขาด้การกระแอมกระไออะไรนิดๆหน่อยๆเลยแต่นาน า, นาอันนี้หลวงพ่อก็ถือว่าเราก็ช่วยให้ไอการออกเสียง อวัยวะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงตอนนั้นมันก็มันก็เหมือนกับว่ามันหายทุกนะมันอาจจะเหตุของมันอาจจะมีเสมหะอาจจะมีอะไรต่างนานาเนี่ยก็เราก็จะค่อยๆเห็นว่าในความตั้งใจของเรามันก็จะมีส่วนที่เราไม่ตั้งใจเนาะแล้วมันก็มันก็แสดงอาการที่ผิดปกติขึ้นมาให้เห็นพอแสดงอาการผิดปกติขึ้นมาให้เห็นเราก็เหมือนกับว่าก็ต้องบรรเทาให้เขาเนาะบางที เราก็ต้องงดออกเสียงดังถ้าตะเบียงเสียงก็ได้นะแต่ร่างกายมันก็เหนื่อยไปอีกแต่เหมือนกัว่ามันก็ต้องหาจังหวะความความดังความเบาของของการออกเสียงให้มันพอเหมาะกับสถานภาพของของอวัยวะส่วนนั้นๆใ น, นตอนนั้นอะไรเงี้ยก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเวลาที่เราเราก็สวดมนต์ไปด้วยเราก็สังเกตเนาะความเป็นไปของ ของร่างกายไปด้วยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราก็อาศัยการสวดมนต์เนาะเป็นการเจริญสติเนาะก็คือสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายหลวงพ่อเกษมท่านก็เคยสอนเนาะเรื่องการสวดมนต์เนี่ยท่านก็บอกบอกว่าคนที่คนที่เริ่มต้นเสียงเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเริ่มต้นเสียง ให้คนอื่นเนี่ยสามารถสวดมนต์ตามได้หลวงพ่อก็จะบอกอย่างนี้นะให้คนอื่นสามารถสวดมนต์ตามได้วันนั้ น, นั่นคือตอนนี้หลวงพ่อก็สังเกตเนาะสังเกตว่าอย่างตอนที่อย่างสมมติว่าปัทมะพุทธภาสิตาคาถาโยพระนามาเซอย่างเงี้ยอย่างตอนนั้นก็หลวงพ่อก็ถือว่าตรงนั้นมันเป็นเหมือนกับเป็นการสตาร์ทเนาะสตาร์ทเพื่อให้หลวงพ่อก็จะใช้พิธีกัน ฟังเสียงตอนจบตั้งใจให้เสียงตอนจบพนามาเสเนี่ยมันเป็นเสียงที่เป็นกลางๆธรรมดาๆรรไม่สูงไม่ต่ําแรกๆอาจจะสูงไปก่อนไม่เป็นไรหรือว่ามันจะมาเว้นว่างนิดหนึ่งแล้วก็พอพนามาเสถ้าเสียงตรงเนี้ออกไปพอดีโยมโ ย, ยมเนี่ยก็จะออกเสียงของตัวเองได้สบายๆไม่ไม่ทุกนะไม่ต้องบีบไม่ต้องเค้นไม่ต้องกระแทกกระทำอะไรต่างๆเหล่น า, น, า, น, า, น, านี้แต่พอก็ มองมองดูเป็นประมาณประมาณนั้นอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกเราออกเสียงได้พอดีแล้วหลวงพ่อก็จะผ่อนเสียงตัวเองลงเพื่อให้เหมือนกับว่าโยมได้ได้ได้ออกเสียงกันให้ให้ให้เหมือนกับว่าเป็นอิสระเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติเนาะบางคนอาจจะเสียงแหลมเสียงทุ่มเสียงอะไรก็ทำแต่ถ้าเกิดเป็นธรรมชาติของตัวเองเนี่ยเราจะไม่เหนื่อยนะ เวลาที่เวลาที่สวมดมนต์พว่าหลวงพ่อก็สังเกตตัวเองนะพราะเวลาที่เหมือนกับจบการทำบัตเช้าอย่างเงี้ยพอเวลาที่บอกว่าเรานั่งอยู่กับความสงบสักครู่ถ้าเกิดเราไม่ใช้ความพยายามมากเกินไปเนี่ยหลวงพ่อว่าสําหรับหลวงพ่อหายใจเข้าหายใจออกประมาณสามครั้งเนี่ยก็ร่างกายก็จะกลับสู่ความเป็นปกติก็พร้อมที่จะแผ่เมตตาได้ แต่ถ้าเกิดว่ามันไหนเราต้องใช้แลนเนาะไปบีดไปบังคับเสียงให้มากนะอย่างเงี้ยตรงนั้นก็บางทีสามลมหายใจก็จะไม่พออย่างเงี้ยก็ตัวนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราก็สังเกตเนาะสังเกตการออกเสียงของเราไปด้วยอะไรต่างๆนาน า, นานตัวนี้บางทีในขณะที่สังเกตการออกเสียงแล้วบางทีมันก็เกิดความพอใจไม่พอใจนะ มันเหมือนกับมันก็เป็นสิ่งที่มันก็เกิดขึ้นกับมันเองนะมันเหมือนอยาเราก็บันดีก็เหมือนกับคล้ายๆว่าปรับปรับตรงนี้อ่ำยังไม่พอเราก็เหมือนกับพอไม่พอใจแล้วก็ปรับใหม่บุ่นใหม่อยู่กับการปรับเสียงอะไรต่างๆนันๆนั้นบนรีบุ้นใหม่กับการปรับเสียงก็ลืมมดสวดสะดุดบ้างอะไรบ้างอะไรต่างๆตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า นี่ก็คือสิ่งที่บอกบอกว่าให้ให้คนที่เริ่มต้นเนี่ยพาคนอื่นสวดสวดให้ได้แต่ทรนมงนีกกันเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่เริ่มต้นล้วเป็นคนร่วมสวดนะเป็นคนร่วมสวดจะเป็นพระจะเป็นโยมอะไรยังไงก็ดีเนี่ยก็เหมือนกันว่าให้เราเนี่ยได้เหมือนกับคอยฟังเสียงคนข้างๆเวลาสวดมนต์ได้ยินไหมได้ยินเสียงคนข้างๆไหมได้ยินเนะ เดี๋ยวบางทีก็ได้ยินซ้ายบางทีก็ได้ยินขวาได้ยินไหม <laughs> ใจมันเลือกของมันเองเนาะ <laughs> บางทีไม่ใช่แค่ซ้ายแค่ขวานะไกลๆก็ได้ยินนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าใจมันอยากไปอยากไปฟังเองไม่ได้เกี่ยวกับเรานะอย่างนั้นก็ <laughs> ให้เราได้เหมือนได้ได้สังเกตแบบนี้นะคือ <laughs> ถ้าเราได้ได้สังเกตแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเออ ใจมันก็เป็นแบบนี้เนาะอย่างเงี้ยว่าเดี๋ยวมันก็ได้ยินเสียงตรงนั้นเดี๋ยวมันก็ได้ยินเสียงตรงนี้บางทีที่บอได้ยินเสียงซ้ายไม่ใช่เสียงขวาไม่มีเสียงขวาก็มีอย่างนั้นนะแต่เสียงซ้ายมันเด่นกับใจอ่ะใจมันก็ไปจับอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอีกเดี๋ยวใจมันก็เริ่มสนใจไปก็เป็นจับข้างขวาไปจับข้างไกลไปจับข้างใกล้อะไรต่างๆนนาาเหล่า น, า น, า น, านีา้ คือถ้าเรามีสติที่จะสังเกตเนี่ยเราก็จะเห็นได้มากเราไม่ได้ตั้งใจแต่ใจอ่ะมันไปของมันเองใจไปของมันเองเนะการที่ใจไปของมันเองนั่นคือมันเป็นสิ่งที่เพราะมันไม่ใช่ของเรา เ, เราไม่ได้สั่งไม่ได้ไนหะแต่มันก็ทําทํา ทำเพราะมันลนะมันคือมันใจเป็นผู้รู้ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ไปรู้เสียงตอนนะั้นเดี๋ยวมันก็ไปรู้เสียงตอนนี้เดี๋ยวก็ไม่ใช่แค่รู้เสียงอย่างเดียวนะเดี๋ยวตาที่มองหนังสือก็ไปสะดุดอีกอุคำนี้เป็นคําที่เหมือนกับมันกระโดดขึ้นมาในใจเราอะไรต่างๆนานาเหล่านี้คือเนี้ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับถ้าเรามีสติสังเกตเนี่ยมันก็จะพบมาไอความไม่เที่ยงเนาะ ที่ใจมันเนี่ยเดี de repente. De repente. De repente. ๋ยวมันก็ไปผูกตรงนั้นเดี๋ยวมันก็ไปติดตรงนี้เนี่ยมันแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นเองเนาะอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปตรงนู้นเดี๋ยวมาตรงนี้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ว่าเราส่งไปนะเราไม่ใช่ว่าส่งใจไปไม่เหมือนกับเวลาที่เราเงี้ยวหูฟังคนอื่นเนี่ยนะอันนั้นเราต้องส่งใจไปเนาะใช่ไหมอย่างเงี้ยอยากจะเงี้ยวหูฟังทางนั้นเราก็ส่งใจไปทางโน้นอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันมามันมันเป็นสิ่งที่มันไปของมันเองตรงเนี้ย สิ่งที่มันไปกของมันเองเนี่ยคือถ้าเราเห็นแบบเนี้ยก็เรียกว่าเราเห็นธรรมชาติของมันเราเห็นธรรมชาติของมันอันแต่ว่าการที่เราฟังแบบนี้เนี่ยหลวงพ่อเขียนท่านก็ให้เราได้เหมือนว่ากลับเข้ามาเนาะกลับเข้ามาสู่ตัวเองหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่เราอยู่ตรงกลางเนี่ยเสียงข้างซ้ายเนาะกับเสียงของเราเนี่ยใครดังกกันนะถ้าเสียงเรากรดเนาะ เสียงได้ยินเสียงข้างซ้ายเบาๆเราก็ลองลดเสียงเราลดเสียงกองเราให้ใกล้เคียงกัน อ, อย่างเนี้ยหรือว่าเสียงข้างขวาเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะเราก็ปรับคือถ้าปรับอย่างเนีน้สามคนนะที่อยู่ใกล้กันเราอยู่ตรงกลางคนซ้ายคนขวาเสียงก็จะเป็นเสียงที่ไม่มีใครกระโดดออกจากใครอะไรต่างๆแต่มาการที่เราสังเกตแบบเนี้ย น, นี่คือเรามีสติสังเกตเนาะการที่เราสวดมน์แล้วก็เจริญสติไปด้วย ก็คือแบบนี้เนาะคือเราจะเห็นเห็นทั้งตัวเองเห็นทั้งรอบๆข้างสติจะทําหน้าที่แบบนี้สติไม่ใช่สมาธิเนาะถ้าสมาธิก็คือเราก็จะมุ่งมั่นไปนะสนใจตัวน้องเสืองข้างหน้าแล้วเราก็ไม่สนใจข้างๆบางาทีเสียงเราอาจจะแหลมแหลมเกินไปไม่ใช่ทนทนเดียวกับคนอื่นอันนั้นคือเราสนใจตัวเองเกินไปแต่ว่าอย่างวันนี้เนี่ยเราพวกเราก็จะพบว่าเสียงพวกเราก็กลมกลืนกัน กลมกลืนกันน้ำหนักเสียงจังหวะหรืออะไรต่ตางๆนานาเหล่านี้ก็เหมือนกับว่าก็ดูสอดคล้องไปด้วยกันอาจจะมีตอนท้ายเนะตอนท้ายที่เหมือนกับพอ สังเกตหรือเปล่าตอนที่ตอนที่พิจารณาสังขารพวกเราเริ่มต้นก่อนหลวงพ่อพอพวกเราเริ่มต้นก่อนหลวงพ่อปุ๊บเนี่ยจังหวะมันผิดนะคือจริงๆแล้วในในตอนพิจารณาสังขารถ้าคําว่าพิจารณาเนี่ยถ้าเราใช้คําอ่านนําเนี่ยคําอ่านมันจะเร็วนะใช่ไหมคำอ่านมันจะเร็วภาษามันไม่ยากะพอภาษามันไม่ยากเราจะเราจะไปได้เร็วแต่พอเราไปได้เร็วปุ๊บเนี่ย มันจะไม่มีโอกาสพิจารณาเพราะว่า น, นั่นคือมันเหมือนกับเราจะไปตามภาษาแล้วมันจะจังหวะมันจะเร็วกันไปแต่ถ้าเกิดพิจารณาอย่างเงี้ยหมายถึงวา่าตัวหนังสือข้างหน้าให้เราน้อมเข้ามาเสดตัวมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะสัพเพสังขารานิจาใช่ไหมอย่างเงี้ยนะสังขารใช่ไหมแบบว่า คือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสําคัญคือร่างกายจิตใจอะไรอย่างนะี้นะคือจริงๆนั้นก็ตรงนั้นก็ในในส่วนของร่างกายเราอย่างที่บอกอย่างเสียงอย่างเงี้ยเนานะเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเนะาะจำนั้นมันเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไป เดี๋ยวเวลาที่เราสวดมนต์ไปนะเสียงมันก็ลื่นเดี๋ยวบาทีสวดมนต์ไปก็เสลติดคอต้องกลืนน้ําลายอะไรต่างๆนานาเ น, น, นี้กลืนเสร็จแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนาะใช่ไหมอย่างเงี้ยมีแล้วก็หายไปนะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดมาเราสวดเวลาที่เราพิจารณาเราก็น้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วเราก็จะได้เห็นเนาะเห็นเหตุการณ์าตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยได้นำเอาไว้ ตอนนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเรามีสติเนอะรู้นะข้างนอกรู้ข้างในรู้ข้างนอกรู้ข้างในตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่านี่คือการที่พวกเรามาเจาริญสติกันเจริญสติกันก็คืออย่างเงี้ยเนะหัดใช้สติหัดใช้สติกับทุกๆสิ่งที่ที่อยู่กับเราคือเราจะไม่ใช่ว่าสนใจเฉพาะตัวเองแล้วก็ไม่สนใจอะไรที่อยู่รอบๆตัว วันนั้นคือหลวงพ่อเทียนเวลาท่านสอนกรรมฐานท่านก็จะให้เราลืมตาลืมตาเพื่ให้เราได้รู้รอบๆด้วยให้เราไม่ปิดตาไม่ปิดหูซึ่งพอเราไม่ปิดตาไม่ปิดหูเนี่ยหูตาจมูกลิ้นการใจทั้งหมดมันก็เป็นสิ่งที่จะได้รับการกระทบเนาะใช่ไหมตาเห็นรูปอย่างนี้น เราก็จะมองนะอย่างสมมติหากว่าเรามองไปข้างหน้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวตรงนั้นก็เด่นเดี๋ยวตรงนี้ก็เด่นเงี้ยเดี๋ยวคนนี้พยักหน้าเด่นเดี๋ยวคนนั้นผมขาวเด่นในนตานานาเหล่านี้คือมันก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวใจมันก็ไปสนใจเองก็ทุกคนก็นั่งอยู่ตรงกันน้านี่แหละอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาที่เรามองมาอยู่ตรงหลงพ่อก็ดีเดี๋ยวบางทีตรงนี้ก็เด่นเดี๋ยวรูปเครื่องหังก็เด่นเดี๋ยวตรงหลมพ่อเด่นเดี๋ยวไอ้ตรง อะไรนั่นก็เรียกสายไมโครปนที่มันมีอะไรพันๆอยู่ตัวนี้ก็เด่นอะไรอย่างเงี้ยนะคือตรงเนี้ยมันก็อยู่ที่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็อยู่ตรงนี้ของมันนะแต่ตาเราอะมันไปสนใจของมันเองมันไม่ได้ออกใบบังคับอะไรมันนะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนัคือตรงเนี้เมื่ร่ที่เราเห็นแบบนี้นะผาษาแต่ละภาษาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราค่อยๆเขาเรียกมีความรู้เพิ่มขึ้นเห็นธรรมชาติของมันเห็นความไม่เที่ยง เห็นความทนไม่ได้กับมันมันทนจะมองแค้นี้อยู่อย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวมันก็หาเรื่องไปมองอย่างอื่นของมันเองอะไรต่างๆนาน่านๆหล่านั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ามันมีสภาพทุกข์ของมันแต่ทําลองเดินกันนี้เราก็เห็นเห็นได้เลยว่าเราไม่ได้บังคับไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะแต่มันก็ไปสนใจของมันไปอย่างนั้นแหละกระพริบตายกันหนึ่งลืมตายกันไปอีกครั้งหนึ่งไอ้จุดเด่นที่เคยอยู่ก็หายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นการเป็นเรื่องใหม่ไปอีกเรื่องหนึ่ง นี่คือสิ่งที่เหมือนกับพัเวลาที่เรานักขณะที่เราเห็นตอนนั้นนะมันก็เป็นการรวบรวมข้อมูลนะมันก็เห็นเป็นแบบนั้นเห็นเป็นแบบนั้นเห็นเป็นแบบนั้นแต่พัเวลาที่เราเห็นทุกบังทุกบังทุกบังนะข้อมูลพวกเนี้ยมันจะเป็นข้อมูลที่ทําให้เราเนี่ยได้เหมือนกับระลึกขึ้นได้นะว่าในสภาพธรรมดาเนาะที่ทุกคนเนี่ยนะไอ้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกความไม่มีตัวตนที่มันเป็นลักษณะประจําตัวของ ของสรรพสิ่งเนี่ยตรงเนี้ยมันจะอ๋อนี่เนาะพระเจ้านะบอกมาแบบนี้นี่เองอย่างนี้เนาะอยนั้นนี่คือสิ่งที่เราเหมือนกับอาศัยเนาะก็เรียกว่าสถานการณ์รอบๆข้างของเราไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของการสวดมนต์ก็ดี <c oughs> สถานการณ์อะไรต่างๆก็ดีเนี่ยตรงเนี้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราเปิดเขาไม่ควบคุมไม่บังคับเนี่ยเราก็จะได้เหมือนกับว่า เราก็จะได้เห็นบางทีมันก็อาจจะหลงไปเนาะแต่ว่าหลวงพ่าว่าถ้าเรามีสติเนี่ยมีสติการหลงจะไม่นานนะการหลงจะไม่นานมันจะไม่ถึงขนาดว่าลืมตัวไปอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นการลืมตัวนี่หมายถึงมันมันจะมีระยะสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าหลงไปแล้วก็กลับมายิ่งเวลาที่เราสวดมนต์อย่างเงี้ยตัวหนังสือที่ต่อเนื่องกัน เสียงเพื่อนข้างๆที่นําเราหรืออะไรต่างๆนานาเหล่าเนี้ยมันจะทําให้จิตเรากลับมาจากไอ้การที่เหมือนกับว่าเดี๋ยวเราก็ได้ยินตรงนั้นเดี๋ยวเราก็ได้ยินตรงนี้อย่างนั้นนะคือเราจะไม่ไปจมไปแช่ไม่ไปคล้องไปแมะจนกว่าเสียงนั้นหรือรูปนั้นนั้นมันจะเด่นเป็นพิเศษจนกระทั่งจิตเราไปเกาะไปจับอย่างเนี้เนาะอย่างนั้นมันก็ทําให้เราไปหยุดไปนิ่งอยู่ตรงนั้นอันนั้นก็คือมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับ พอเวลาที่เราเจริญสติกันเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้เห็นสภาพต่างๆเดี๋ยวมันก็แบบว่าสัมผัสแล้วก็ผ่านเดี๋ยวมันไม่สัมผัสแล้วมันก็เริ่มแตะเริ่มจับเริ่มยึดอะไร ต, รตรา่างๆนานาเหล่านี้นี่ก็คือสิ่งที่เหมือนกับพอเวลาเราเห็นสภาพแบบนี้เห็นสภาพแบบนี้เห็นสภาพแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้เหมือนกับได้เข้าใจเนาะเข้าใจธรรมชาติเนาะ ของสิ่งที่เล็กบ้างตาหูจมูกลิ้นต่างๆตรงนั้นเนี่ยคือตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวเป็นตัวที่ช่วยเนะช่วยให้เราเนี่ยได้ได้รู้เรียกว่าได้รู้ความจริงนะได้รู้ความจริงของรูปอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นมาโอ้ตรงนี้เนาะจริงๆแล้วพอเวลาที่เห็นเนี่ยบางทีที่ใจเราไม่ไปจับเนี่ยเพราะมันเป็นเพียงแค่ เห็นก็คือสักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินแต่พอเวลาที่ถ้าเกิดว่าจังหวะมันจาับ ก, กันาสัมผัสมันกลายเป็นการแตะการจับเนี่ยมันจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนี้อย่างนั้นเป็นการเป็นการที่เหมือนกับว่าเกิดความพอเรื่องเรื่องการจมกันแช่เนี่ยมันจะเกิดจากการชอบหรือไม่ชอบพอชอบไม่ชอบก็เริ่มไปพินิจพิเคราะห์ก็เริ่มไป แบบระลึกถึงไอ้ตัวนั้นตัวนี้ที่เราเคยจําได้แล้วก็เกิดการปรุงแต่งต่อๆไปตรงนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่ามันเป็นวงจรของมันเนาะจนกว่าจะมีสติเนาะมาอมืเห็นความหลงถ้ามีสติเห็นความหลงนะจิตก็กลับมาเนาะกลับมาเป็นผู้ที่รู้อย่างเนี้ยอย่างนั้นอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่ เวลาเราเริ่มต้นเนาะใช้สติเนี่ยเราจะเห็นก็เ ร, เรียกว่าสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเราจะไม่ติดความพอใจไม่พอใจอย่างเงี้ยเวลาที่การสวดมนตนะ์เนาะการสวดมนต์อย่างหลวงพ่อว่าอย่างการสวดมนต์บทเช้าอย่างเงี้ย น, นะบทบทที่เป็นการสวดตอนเช้าเมื่อหลวงพ่อพุทธเจ้าเองก็แจกแจงรายละเอียดนะั้นชัดเจนเนาะอย่างนั้น รายละเอียดเป็นรายละเอียดที่เราว่าว่ามันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาชีวิตเราเลยเนาะอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีพระเดชเจ้าแจกแจงความจริงให้เราแบบ น, นี้นะเหมือนเหมือนกับแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์เนี่ความไม่สบายใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์อย่างเงนะี้ยนาะอย่างเงี้ยมีไหมเวลาที่แดดร้อนๆแล้วจะมาเกิดความไม่สบายกายอย่างเงี้ย ก็เป็นทุกข์เนาะใช่หมหแบบเวลาแดดร้อนๆแล้วเหงื่อออกอย่างเงี้ยนะเสื้อผ้าเหนียวเนอะหนักนะความชื้นออกมาใช่ไมเปียกเสื้อเปียกผ้าเอา้าก็ใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่สบายใจก็เป็นทุกข์อีกละอย่ <laughs> ตรงเนี้ยเลยว่าว่าคือจริงๆสัญญาณพวกนี้ต่างหากนะมันเป็นสัญญาณที่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปจมทุกข์กับมันนะแต่มันเป็นสัญญาณให้เรารู้ว่าอืม ร่างกายเขาต้องบอกอะไรขอความช่วยเหลืออะไรจากเราสักอย่างอะไรเงี้ยเนาะอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสสมมติเนะมันมันแดดร้อนเป็นเหงื่อนะก็อาจจะหลบลมซะหรืออาหาลมหลบถ้าหาล่มหลบไม่ได้ก็อืมก็ช่างมันเดี๋ยวก็มีลมมาเดี๋ยวก็อะไรต่างๆนานาเหล่านั้นก็คือก็เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ไม่จมไปอยู่กับความทุกข์ไม่ไม่ไปคิด นะปรุงแต่งว่าโอ้ยนี่เงื่อเดี๋ยวมันก็จะเหม็นสาบมันจะอะไรต่างๆนา น, า, นาเหล่านี้ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นการปรุงแต่งไปเป็นการเพิ่มสังขารไปหลวงพ่อก็นึกถึงอาชีพเนาะอาชีพของหลวงพ่อก็จะเป็นอาชีพของการปรุงแต่งเนาะมีพื้นที่ขนาดนี้จะจับยังไงแ้ให้มันสวยอย่างเงี้ยเนาะอย่างเงี้ย จัดให้มันสวยนี่จะทําไงว่งจะเอาต้นไม้ต้นใหญ่ต้นเล็กลงจะเอาดอกนั้นดอกนี้อะไรต่างๆลงหรือว่าบ้านหลังนี้จะทํายังไงให้มันเป็นบ้านของผู้หญิงสาวๆที่เท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวว่าบ้านหลังนี้สี่เหลี่ยมก้อนนี้เนี่ยจะทํำยังไงให้มันดูเป็นแบบ ห้าวๆเป็นขาวบอยหน่อยอะไรด่าๆนานๆ้นจริงๆมันก็มีเสามีคารมีหลังคาเหมือนกันนี่แหละแต่ไอการที่เราจะแต่งเข้าไปเป็นสีแต่งเข้าไปเป็นไอ้รายละเอียดต่างๆตัวนั้นมันก็จะบอกได้ว่าเออไอตรงนี้นะมันเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าไอตัวการปรุงแต่งตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันก็เป็นการทําให้เกิดการชอบการชังเนาะ แต่ว่าจริงๆถามว่าไม่ปรุงไม่แต่งมบ้านอยู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นไม่ปรุงไม่แต่งอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยเนะอย่างนั้นมันก็ใช้ได้เนาะแต่ว่าบางทีการปรุงแต่งเนาะบางทีมันก็ดิ้นหล่นมากเกินไปอย่างงี้เนาะอย่างนั้นคือการปรุงการแต่งก็หลวงพ่อก็เป็นเรื่องที่มันมันเป็นเรื่องที่ก็เรียกถ้าเราใช้เขาเนาะเราใช้เขาไม่ใช่เขาใช้เราเนาะอย่างเงี้ย ถ้าเราใช้เขาหลวงพ่ว่ามันจะเกิดความพอหมาะพอดีแต่ถ้าเขาใช้เราเนี่ยมันจะมันจะเกินเลยไปเป็นทุกข์มากๆอย่างนั้นเพราะว่าอย่างสมมติน่าว่าหลว่อกคยนึกถึงสับสั์ไทยๆนะยิ่งคิดยิ่งทุกข์อย่างเงี้ยเนนะาะคำว่ายิ่งคิดยิ่งทุกข์เนี่ยมันชัดเจนถึงความปรุงแต่งเลยนะเรื่องมีแค่นี้เองแต่ใช่ไหมคิดแล้วคิดอีกเนี่ยถ้าเกิด่าแบบ เกิดโอ้ต้นไม้ต้นนี้เนาะถ้าเกิดล้มลงมาตอนที่รถผ่านเนี่ยจะทํายังไงรถคงเละไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอมย่างนั้นบางีต้นไม้ก็ล้มไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่พอเวลาเราปลมกเราแต่งใช่ไหมอย่างนั้นมันก็คิดอย่างนี้ยโอ้อย่างนี้นะแบบว่าเนี่ยต้องให้กรมทรมาตัดต้นไม้ทั้งหมดเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวรถลาผ่านไปมันจะเป็นยังไงอะไรต่างๆอันนี้มันก็ไปบุญไปอะไรกับคนอื่นเองนี่ก็คือสิ่งที่นี่ก็คือสิ่งที่เรียกวา่า มันเป็นสิ่งที่เรื่องแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตเราเนี่ยหลวงพ่อมันเป็นความเสียเวลาอย่างมากนะ ส, สำหรับสาหรับหลวงพ่อนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการปรุงแต่งที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราสามารถจัดการได้ถ้าเป็นการปรุงแต่งที่เราสามารถจัดการได้เราก็เราก็ทำเนาะเราก็ทำในขอบเขตที่พ่อเหมาะ เวลาของเรามันไม่เป็นแบบนั้นนะคนนี้น่าจะทําอย่างนั้นคนนี้น่าจะทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้านเนี่ยดูคนเนี้ยนะเขามีความสามารถนะถท่านก็ทาอย่างเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยมันจะดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยนี่แค่หลวงพ่อพูดนะเรื่องนิดเดียวนะมันก็อย่างแค่นี้แต่บางทีมันก็ไม่แค่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปชวนเพื่อนชวนอะไรมากพยายามเยอะด้วยกันนะอเรื่องนี้มันควรจะจบในนาทีหนึ่งมันก็ชั่วโมงหนึ่งก็ไม่จบละออย่างเงี้ยคือท่านเอาบางทีเราคิดแบบนี้นะคือชีวิตของเราเนี่ย ที่หลงไปทุกขกับการปรุงแต่งเนี่ยหลวงพ่อว่าชีวิตหลวงพ่อเนี่ยใช้เวลาเยอะเสียเวลาไปกับการปรุงแต่งเรื่องนี้เยอะมากๆเลยนะเรื่องนี้เวลาที่เจอหลวงพ่อเขียนครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่ประทับใจท่านมากๆก็คือด้วยสถานสถานที่หรืออะไรต่างๆนานาแล้วก็เป็นเพียงแค่ศาลาเรียบๆง่ายๆอันหนึ่งนะ ที่มีที่มุงที่บางคุ้มแดดคุ้มฝนอย่างดีอะไรเงี้ยสารานั้นก็เป็นสาราธรรมดไปด้วยใช่ไหมถึงเวลาฉันก็เป็นสาราฉันไปด้วยอย่างเงี้ยนะถึงเวลาตํา น, นอนก็ปูเสือ่อวางหมอนก็เป็นที่พักไปด้วยอย่างเงี้ย น, นะมันก็ดูโล่งๆเรียบๆง่ายๆแล้วมันก็ใช้ใช้งานได้ดีอย่างเงี้อยนอย น, น, นั่นคือมันนั้นหลวงพ่อก็พักตรงนั้นแหละ แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นมากกว่า น, นั้นก็คือหลวงพ่อเขียนท่านไม่มีไม่มีอะไรที่เรียกว่าปรุงแต่งเลยนะคำพูดคาจาของท่านนะไม่ไม่มีคำพูดที่ที่มีส่วนเกินส่วนขาดอะไรต่างๆไม่มีอย่างนี้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่านก็เรียบเรียบง่ายๆมากๆเลยมันเป็นสิ่งที่ เห็นแต่สิ่งที่เห็นณนะตอนนั้นนี่คือยมันประมวลประมวลความน่านับถือของของหลวงพ่อคำเขียนนะขึ้นมาในใจเราไม่เคยมีความรู้สึกตื่นเต้นเนาะกับกับบุคคลที่ดูเรียบง่ายขนาดนี้อะไรอย่างเง้นคือในใจมันก็อันนี้ก็อธิบายมันก็ยาวนะแต่เหมือนกับเวลาที่ตาเห็นปุ๊บนะมันเห็นความพอเหมาะพอดียังไงก็บอกไม่ถูกอย่างเงี้ยนะ แต่ว่าเราสัมผัสสัมผัสทั้งความสงบเย็ยนที่ออกมาจากหลวงพอ่อปริยาท่าทางการยิ้มการอะไระต่างๆนานาเหล่านี้ที่หลวงพ่อมีมีต่อเราเนี่ยโอ้โแบบพระรูปนี้น่านับถือมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่มีอะไรที่ปรุงแต่งอย่างเนี้มันเหมือนกับเขาเรียกว่ามันมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติดีๆนะเป็นธรรมชาติที่ดูหน้าหน้าเรื่อมใสมากๆอย่างเนี้ย ตรงนั้นก็อันนี้เป็นภาษาที่เล่าให้ฟังเรามันก็เป็นภาษาที่ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจสภาพที่เห็นของของหลวงพ่อตอนนั้นแต่ว่าจริงๆคือตอนนั้นนะใจมันยอมรับเลยแต่ถามว่ามันยอมรับเพราะอะไรเพราะว่าคือชีวิตที่ผ่านมาของหลว่ามันเป็นชีวิตที่ปรุงแต่งมาแต่ลอดทํางานอยู่กับการออกแบบไอ้ตรงนั้นตรงนี้ะอะไรต่างๆนะผมเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคือความเรียบง่ายข้างหน้ามันสะกดใจใเราและยิ่งพอเวลาที่หลวงพ่อพูดคําพูดของท่านเนี่ย มันเป็นคําพูดที่มันกระทัดรัดแล้วมันก็ได้ใจความอย่างเงี้ยเนะหลวงพ่อพูดตอบคําถามอะไรเนาะกับผู้คนหลวงพ่อก็ตอบนะตอบคําถามแบบกระทัดรัดชัดเจนแต่คตําตอบคํานึงที่หลวงพ่อเองก็จําแม่นมากๆเลยก็คือเดี๋ยวนี้หลวงพ่อสนใจท่าแต่เพียงเรื่องแค่ว่าทํายังไงถึงจะไม่ทุกข์เนี่ยอย่างเงี้ย ตรงเนี้ยมันเป็นโอ้โคำที่เป็นคำที่มีอิทธิพลกับกับจิตใจของหลวงพ่อมากๆนะเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินคำแบบนี้จากที่ไหนแล้วมันเป็นคำที่กระทัดรัดชัดเจนแล้วมันก็เป็นคำที่นํานําไปสู่การปฏิบัติโดยส่วนตัวของเราได้เลยเนียทยํายังไงถึงจะไม่ทุกข์นั่งยังไงให้ไม่ทุกข์รู้สึกตัวว่ากําลังนั่งอยู่ <laughs> ยืนยังไงให้ไม่ทุกข์ <laughs> ใช่ไหมรู้สึกตัวว่ากำลังยืนอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเนี้ยถ้าเรารู้สึกตัวเนะกับการนั่งเนี้ยนั่งรู้สึกตัวกับการนั่งพวกเราลองรู้สึกตัวกับการนั่งอืลองดู <laughs> รู้สึกตัวไหม <laughs> ใช่ไหมคือมันเหมือนกับเราจะพบว่าความรู้สึกตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับมันจะมีการสํารวจเนะ สำรวจร่างกายที่กําลังนั่งอยู่ถ้าสํารวจพบว่ามันนั่งไม่สบายอย่างเงี้ยเราก็จะขยับปรับเปลี่ยนแต่ถ้าถามว่าต้องบอกอรายละเอียดไหมมันไม่สบายตรงก้นไม่สบายตรงขามันไม่ต้องนะคือมันรู้ลงไปเลยแล้วมันก็ขยับเรียบร้อยไปเลยหลังกําลังงออยู่หลังก็จะจะไหมปรับขึ้นมาอะไรต่างๆนี่คือเขาเรียกว่านี่คือเรื่องของเรียกว่าความรู้สึกตัวที่ใช้ลงไปอย่างเงี้ย นี่คือสิ่งที่หลวงพ่อว่าทํำยังไงถึงจะไม่ทุกข์องหลวงพ่อหลวงพ่อลำเขียนที่ท่านตอบท่านตอบคาถามเนี่ยหลวงพ่อว่าพวกคำพวกเนี้ยมันเป็นคําที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของหลวงพ่อลำเขียนนะท่านก็เรียบเรียบง่ายๆนั้นภาษาของท่านก็กระทัดรัดชัดเจนอย่างเนี้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้หลวงพ่อก็มีศรัทธากับการปฏิบัติธรรม และยิ่งเราเห็นช่วงชีวิตของหลวงพ่อคำเขียนที่ท่านค่อยๆดำเนินมาค่อยๆดาเนินมาชีวิตของท่านก็อยู่กับการกลับมารู้สึกตัวอย่างเราสวดบทเมื่อกี้นะอเนกชาติสามสารังใช่ไหมคือตรงเนี้ยหลวงพ่อเองก็เคยตกใจกับตัวเองเนาะเหมือนกับว่าเราเหมือนกับไม่น่าก่อเรื่องแบบนี้เลยอะไรอย่างนี้นะ คำประกอบเรื่องนี้ก็คือในในบทเมื่อกี้ก็จะพูดถึงมาในช่างปลูกเรือนใช่ไหมอย่างเงี้ยเนานะในช่างปลูกเรือนพบชาติใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาจากการจากการก่อล่างสร้างตัวของความคิดเราอย่างเงี้ยอย่างนั้นอย่างอที่เช่นเนาะโอวันนี้เราไปกินข้าวที่นครเชียศรีไหมตรงนั้ น, นเนาะก็มีอืมสมัยก่อนเนาะสักสาสิบปีก่อน เขามีปัฏิพเพียนไม่มีก้างอ่ะปัฏิเพเหียนนี่ก้างมันจะเยอะนะใช่ไหอย่างนะ้นก้างมันจะเป็นเงียง้ยงแล้วแบว่ามีปัฏิพย์เหียนไม่มีก้างโอ้ยดิ้นหลนไปถึงถคนครเชษฐศรีนะสมัยก่อนนี่ไม่ใช่ถนนห น, นทางถูกนะเพอเวลาที่เราก่อเรื่องยึ้นอะไแบบนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมแบบว่าไปคนเดียวก็ไม่ได้นะก็ต้องชวนเพื่อนนะให้มันเต็มรถอย่างเงี้ยชวนเพื่อนไปนะกันนะแล้ก็ เ, เ, เ, เพื่อนคนนนนนนนนนนนีีีี้้้้เเเด๋ยวยวววววััััังงงไไม่่่านานาาาออป็นะรตๆ ให้ความดิ้นหล่นที่จะแค่ไปกินปเปล่าเปียนยนะนะมันทําให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาอีกเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเราไม่สังเกตไงมันนี่คือการดิ้นหล่นนี่คือเป็นการเป็นทุกข์ของใจแล้วก็เหมือนจะมาพอมันก่อล่างสร้างตัวขึ้นมาเราก็ต้องตามนั้นไปแต่วันนี่คือตรงเนี้ยพอเวลาที่เรา ใช้ความรู้สึกตัวเป็นเบื้องต้นอย่างเงี้ยอ๋อมันมีการหลงไปคิดจะกินข้าวตรงไหนก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกินเราประบัติเพียงเท่า น, นั้นเมื่อไหร่มีเหตุมีปัจจัยผสมควรเดี๋ยวเราก็ผ่านไปถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ง่ายนะใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ำมันนั้นเราไม่รู้ไงใช่ไหมมันก็ก่อล่างสร้างตัวขึ้นมางั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งก็เรียกว่าพอไปแล้วก็พังเออห น, นะปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งกระจกรถก็แตก กระจกรถแตมามา่งว่าถนนมันเป็นหินใช่ไหมแล้วก็เรียกว่าหินมันก็กระเด็นใส่กระจกรถข้างหน้า <c oughs> น่ะดิ้นรนไปไม่ได้ไปกินนะวันนั้นมันก็ต้องจบลงที่กระจกรถแต่งอีกมันหนึงไปแนละ้วก็เนี้ยดิ้นรนไปกินง่ายเหมือนกันปรากฏว่าสายพานสายพานเขาเรียกว่าสายพานที่มันเกี่ยวกับคลัตช์กับเกียร์เนี่ยขาดอย่างนี้ คือพอมันก่อเลิกขึ้นมาก็พบชาติใหม่ก็เกิดอีกนะอที่จะต้องการไปกินข้าวเนี่ยเอารถก็เสียก็ต้องมานั่งซ่อมรถต้องอะไรต่างๆนานาอะไรนี่วุ่นวายไปหมดอะไรเย่างนี้คือแต่ว่าชีวิตของเราณวันนั้นเราไม่มีสติที่จะสรุปบทเรียนพอเราไม่มีสติสรุปบทเรียนเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยแบบว่าเกิดพบชาตใหม่เกิดพบชาติใหม่ที่เราต้องคอยแก้ไขแก้ไขแก้ไขไป แต่นี่ก็คือตรงนั้น่ะเวลาที่เราเริ่มใช้สติรู้สึกตัวเนี่ยอย่างพอเวลาที่เริ่มยกมือสร้างจังหวะอย่างเนี้ยเราก็จะพบเลยว่าเวลาที่เราขังตั้งใจรู้สึกตัวเนี่ยสิ่งที่ไม่รู้สึกตัวที่เกิดขึ้นก็คือความคิดที่มันที่มันเกิดขึ้นมาอย่างเนี้ยซึ่งตรงนั้น่ะหลวงพ่อเขียนก็บอกว่าอันนั้นอะคือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความคิดที่เราไม่ตั้งใจให้เราวางไปไม่ต้องไปสนใจกลับมารู้สึกตัวกัน แล้วตรงนั้นละ่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่แรีกว่ามันเป็นสังขารที่มันเป็นการปรุงแต่งขึ้นมามันก็เป็นการปรุงแต่งที่เนื่องกันกับการยกมือสร้างจังหวะนนเองทาไมต้องยกมือแบบนี้ทําไมต้องเป็นแบบนี้หลวงพ่อก็ยังเคยนะเคยเลยไปนะอาทิตย์เช่นมาสิบสี่จังหวะแบบนี้เนี่ยเราไม่ทำสิบสี่จังหวะนี้ไหมเราแต่งท่าทางแบบอื่นได้ไหมไปถึงคิดแบบนี้แต่ว่าพอคิดแบบนี้พุ๊บมันก็จบลงตรงนีม้มอา หลวงพ่อเทียนท่านคิดเรียบร้อยแล้วล่ะท่านก็เข้าใจทำจากท่าทางแบบเนี้ยเราไม่ต้องคิดใหม่ <c oughs> ก็บอกกับตัวเองแบบนั้นเพราะฉะนั้นในการสร้างสังขารจะปรุงแต่งเป็นท่าทางอะไรต่างก็จบลงแล้วก็กลับมาแค่นี้ยแค่เคลื่อนไหวเป็นครั้งแค่เนี้พอ ก, ก่อนพอ ก, ก่อนเลยก็ น, นี้ก็มันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าความคิดที่เป็นเจ้าสังขารถ้าเราเกิดไม่ไม่กลับมารู้สึกตัวเขาเองก็จะเข้ามา ใช่เกาะกลุ่มหัวใจเราเกิดพบเกิดชาติใหม่ขึ้นมาแบบนั้นจนทายที่สุดว่าหลวงพ่อ ก, ก็พาพวกเราสวดใช่ไหมเหมือนบทปัดชิมพุทธโอานนะวาสมาเริ่มต้นที่ความรู้สึกตัวจบลงที่สติอย่างเงี้ยความไม่ประมาณก็จบลงที่ความรู้สึกตัวพระเจ้าเองก็พอท่านตรัสรูท่านก็จะมาอุทานพาสิท์อันนี้ขึ้นมา ทางท่านจะหมดลมหายใจคําสุดท้ายที่ท่านบอกก็คือสตินี่นคือสิ่งที่พุทธเจ้าเองก็เริ่มต้นแบบนี้แล้วก็จบลงแบบนี้ในขณะที่หลวงพ่อเขียนเองเวลาท่านสองท่านก็บอกว่าให้เราเริ่มต้นที่ความรู้สึกตัวท้ามกลางก็ให้เป็นความรู้สึกตัวแล้วก็ท้ายสุดก็ให้เป็นความรู้สึกตัวตรงนั้นเราก็พบว่าในจังหวะที่ลมหายใจของท่านมบท่านก็รู้สึกตัวสบายสบาย จะหมดลมหายใจก็จะเป็นไรไม่เห็นเป็นไรก็รู้สึกตัวได้นะตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ท่านเองท่านก็คงไม่ได้คิดแบบนี้หรอกนะแต่ท่านก็ไม่ได้กังวลไปกับร่างกายเพราะว่าท่านเองท่านก็คงเห็นอยู่แล้วนะว่าในขณะที่เราปฏิบัติทำกันเนี่ยในขณะที่เราเริ่มต้นนะเราก็เหมือนกับเป็นผู้สังเกตความเป็นไปของร่างกาย <c oughs> ะร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตใจก็ส่วนหนึ่ง เนาะอย่างนั้นคือผู้ที่สังเกตก็ไม่ได้เป็นผู้ที่เข้าไปเป็นทุกข์เป็นสุขอะไรต่างๆนาน า, านาเหล่านั้ น, นส่วนที่เป็นทุกข์เป็นสุขมันก็จะเป็นเรื่องของร่างกายที่เป็นทุกข์ก็ต้องแก้ไขไปส่วนที่เรื่องของจิตใจเป็นทุกข์ก็กลับมารู้สึกตัวก็จบไปอย่างเนี้ยเนาะอย่างนั้นนั่นนก็คือตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ท่านเองท่านก็ใช้ความรู้สึกตัวมีสติอยู่กับมีสติอยู่กับเขาเรียกว่ามี มีอุเบกขาแล้วแลอยู่นะท่านก็หนึ่งนั้นแล้วแลอยู่ก็คือมีอุเบกขาแล้วก็คอยสังเกตเห็นความเป็นไปของร่างกายความเป็นไปของจิตใจอย่างเงี้ยตั้งมันจะหมดลมตอนไหนก็อืตอนนั้นหลับอย่างเงี้ยนะแล้วท่านก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรอย่างไรหมดลมก็คือหมดลมแล้วมันก็มันก็หมดหมดจริงๆแล้วก็จบจริงๆแล้วก็จบง่ายๆสวยงามอย่างเงี้ยอย่างนั้น ควาสวยงามคือเป็นปกติธรรมดาที่สุดเลยนะพอเวลาที่อีกชั่วโมงหนึ่งถัดมาเราเหมือนกับจัดร่างกายท่านให้นอนอยู่ในท่านอนงายสบายๆแล้วก็พบว่าตาท่านก็หลับสบายๆต า, าท่านก็ปิดสบายๆไม่ได้มีการดิ้นหลนว่า อ, อ, อ, อ้จะหมดลมหายใจเลยจะอะไรยังไงเลยต่างๆนะ เห็นตอนนั้นคือจําได้ว่าบอกพระจันโนดบอกว่าพระจันโนดถ้าเกิดหน้าหลวงพ่อไม่ค่อยเรียบร้อยหลวงพระจนันโนดจับนะก็คือพูดพูดกับพระจันโนดก่อนก่อนที่จะเห็นพระจันโนดพอพลิกหลมเพ้าขึ้นมาในใจนึกทาไมหน้าหลวงพ่อเรียบร้อยแบบนี้ <c ười> คืออยู่กับที่กระทางเรียบร้อยไม่ไม่มีอะไรที่ที่ควรตําหนิไม่มีอะไรที่ต้องจัดการว่าท่านเองท่านก็ ไม่ได้ดิ้นหล่นไม่ได้อะไรยังไงก็เป็นปกตินะอย่างนั้นอะไรย่างเงี้ยนั่น น, นี่คือตรงเนี้ยนะก็ให้พวกเราได้เหมือนกับอาศัยนะเวลาตรงนี้เนี่ยเป็นเวลาที่เราให้มีสตินะให้มีสติอยู่กับการนั่งการยืนการเดินนะตรงเนี้ยนะให้มีสติรู้ในอริยาบทหลักๆแล้วก็รู้ในอริยาบทย่อยๆจะเหลียวซ้ายไหลขวาอะไรต่างๆเหล่านี้ การเหลวครั้งนี้เรามันเป็นการเหลียวเพราะว่าเราอยากที่จะปรับคอไม่ให้มันแข็งหรือว่าการเหลยวครั้งนี้มันเป็นเพราะว่าหูเราได้ยินเสียงก็เลยต่างๆหน้าเราเ น, น, นี้ยแล้วตาเราก็คอยตามไปดูหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเนาะให้เราก็เนเหมือนกับคอยสังเกตคอยสังเกตต่างๆตรงนี้อะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยเวลาที่เราเอาจิตใจมาสังเกตเนี้ยจิตใจเขาก็จะเหมือนกับว่าเขาจะรู้ไปรู้ไปเห็นสิ่งที่เรียกว่าอืมสิ่งที่ มันมันเป็นไปที่ใจก็เป็นสะดุดแต่ทำหน้าเดียวกันผู้ที่กำลังดูอยู่คนที่กำลังสังเกตอยู่ก็คือตัวที่เป็นสติคอยสังเกตอยู่ตัวนึงเขาก็จะเก็บข้อมูลต่างๆ ต, ตรงนี้ละพวกเราก็ปฏิบัติธรรมกันผลของการปฏิบัติธรรมก็คือจะทําให้จิตใจของเรามันไม่มีเวลาไปจมอยู่กับทุกข์นะทุกขนะ์กมันก็จะน้อยลงอย่างเงี้ยนะทุกข์มันก็จะน้อยลงน้อยลงลจนทั้งตัวเองเราก็อาจจะเห็นเนาะ เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นแเราก็ไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์ตรงนั้นอะไรเงี้ยเนาะตรงนั้นก็คือการที่เราค่อยๆเห็นค่อยๆรู้สึกค่อยๆเห็นค่อยๆรู้สึกแล้วเราก็จะพบว่าสิ่งที่เคยทําให้เราทุกข์มันทําให้เราทุกข์น้อยลงทุกข์น้อยลงจนกระทั่งเราก็ไม่ทุกข์กับมันก็ได้เนาะอย่างนั้นอ่ะพวกเราก็ปฏิบัติกันเนาะใครที่ปฏิบัติกันพร้อมปฏิบัติแล้วก็เชิญทุกใครที่ต้องการคําแนะนําก็เชิญเนาะ แด่นนะ <laughs> รู้ว่านั่งอยู่หรือยัง <laughs> จริงจริสิ่งที่พระเจ้าแนะนำนั่งก็รู้ว่านั่งอยู่เนี่ยในขณะที่เรารู้ว่านั่งอยู่จิตใจเราก็กลับมารู้เนาะก็คือใจก็กลับมาอยู่กับกาย อย่างนี้ฉนั้นถ้าใจไม่กลับมาอยู่กับกายใจจะไปอยู่ไหนอยู่กับความคิดไม่รู้ไปไหนเกาอาจจะไปเองหรือเราอาจจะส่งใจไปคิดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะอย่างนั้นการส่งนะการส่งใจไปตรงนี้นะเป็นสิ่งที่หลวงพ่าเมื่อก่อนนะหลวงพ่อทำบ่อยมากนะคือเหมือนกับหาเรื่องมาคิดนะหาเรื่องมาคิด หาเรื่องมาคิดด้วยก็จะสงใจไปสนงใจไปคิดไอ้นู่นคิดไอ้ไนี่ต่างๆเราสังเกตว้าเวลาที่เหมือนกับเวลาที่เราอยู่กับอิทียบทหลพ่ เ, เขียนท่านจะใช้คำว่าในขณะที่เรากำลังมีสติเนาะมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยสิ่งที่ไม่เป็นสติเนาะเราก็จะเห็น อะไรคือสิ่งที่ไม่เป็นสติใช่ไหมก็คือความคิดเนาะอยางนั้นไม่เป็นสติมากๆเราไม่ได้ตั้งใจคิดตอนนี้เรากาลังตั้งใจสร้างความเคลื่อนไหวนี่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าในขณะที่เราพาใจกลับมาเนาะรู้อิรลยยบทของเราจะเป็นการเรากาลังยืนอยู่ก็ดีเดินนั่งนอนอะไรก็ดีเนี่ยตรงนี้ยก็หมายถึงว่า การรู้อิจฉาบทอย่างที่พระเจ้าแนะนำเนี่ยให้เรารู้รู้ตรงนั้นนะการรู้ตรงนั้นก็จิตใจกลับมารู้พอจิตใจกลับมารู้เจ้าก็ยังบอกให้เราเหมือนกับว่ารู้อิจยาบทย่อยๆเนาะที่เกิดขึ้นในระหว่างการนั่ ง, น ง, อนอ ง, องอย่างนี้นั่งอยู่เราพยักหน้าอย่างเงี้ยนะมีการพยักหน้าก็รู้ตามอย่างเงี้ยเนาะดังนั้นมันมีการที่ขมวดคิ้วก็รู้ตามอย่างเ ง, งี้ยเนาะคือการที่ รู้ตามรู้ตามรู้ตามันเนี้ก็คือจิตใจอ่ะ ม, ม, มันเป็นตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้เมื่อจิตใจมันตามรู้ตามรู้ตามรู้ตรงนี <t <t <t <t <t ้เนี่ยนี <t <t ่ก็คือการที่เหมือนกับเมื่อกายทําอะไรอยู่ใจก็มารู้ด้วยอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ทําอย่างนี้คืออะไรใจเขาก็อิสระพออิสระปุ๊บเขาก็จะไปจะไปกับความคิดอะไรต่างๆพอไปกับความคิดนี้ทําไงถ้าเรามีสติกําลังเจริญสติอยู่ก็รู้ว่าคิดเดี๋ยวใจก็กลับมารู้ว่าคิดเดี๋ยวใจก็กลับมา ในสิ่งที่หนวพ่อเทียนท่านท่านแนะนำเนี่ยมันจะน่าสนใจตรงที่ว่าคือแค่รู้ว่าคิดนะก็กลับมาคือไม่เราจะไม่สนใจนะว่าความคิดอ น, นั้นเป็นความคิดอะไรยังไงอย่างเงเป็นความคิดดีคิดไม่ดีนะก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้ความสนใจทั้งหมดเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่า เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราตั้งใจคิดนะความคิดที่เข้ามาก็อย่างที่หลวงพอ่อคำแก่น ท, นาท่านอธิบายว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันคิดของมันเองมันเป็นความที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดนะหลวงพอ่อคำแก่นท่านจะใช้ภาษาเฉพาะตัวนั่นว่ามันลักคิดมันลักจิดมันลักคิดขึ้นมาของมันอย่างเงี้ยนั่น น, นี่คือตรงเนี้ยพอเวลาที่หลวงพ่อได้ยินจากหลวงพอ่อคำแก่นครั้งแรกในการที่พบกัน พบกับหลวงพ่อเขียนครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อก็ตกใจนะเพราะว่าสิ่งที <S <S well <S <S <S really ่หลวงพ่อเขียนเรียกว่ารักคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแต่ว่าหลวงพ่อให้ความเอาใจใส่กับความคิดตรงนี้มากๆให้ความเอาใจใส่ว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับหน้าที่การงานมันต้องคิดคิดออกแบบอะจะไม่คิดตรุงแต่งคิดออกแบบวันนั้นนั่นคือมันมีความคิดอะไรเข้ามาเนี่ยเราจะเรียกว่าเขาเรียกว่ามันเป็นจินตนาการ ภาษาที่เราสมมุติขึ้นมาก็คือมันเป็นจินตนาการเพรอเป็นจินตนาการนี่มันดูดีมากเลยนะดูมีค่ามากๆาก้ละเราก็ให้ค่ามันอย่างเงี้ยแต่พอเวลาที่หลวงพ่อกำกับเรยนอธิบายอย่างเงี้ยให้เราสังเกตคือในขณะที่เรากําลังตั้งใจเคลื่อนไหวยกมือสร้างจามูกําลังตั้งใจเดินจมกรมความคิดนั้นนี้มันเกิดขึ้นมาเองนะใช่ไหมอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาของมันเองเราไม่ได้ตั้งใจเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่า เราเนี่ยชีวิตของเราไปสนใจเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาเองตรงนั้นเนี่ยเราเราจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตทำเรื่องที่เราไม่ได้ตั้งใจในี่เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยหรืงว่วอเขาบอกโอ้มันมั น, ม, นมันตกใจเหมือนกันว่าชีวิตที่ผ่านมานะชีวิตของเราไหลไปกับอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยไหลไปกันเราไม่รู้แต่เราก็คิดว่าเราทำดีเยอะแยะนะคือยั ง, นะ <c ười> อยงไงอะเราว่าว่า กายกับใจเราเนี่ยมันเหมือนกับเวลาที่มันเหมือนกับเวลาที่เราเราไม่ได้ดูไม่ได้ดูแลเขาใช่ไหมเขาก็จะไปกันคนละทางสองทางเลย น, น, นะกายไปทางหนึ่งใจไปทางหนึ่งเมื่อก่อนนี้หนูบ้างเคยสังเกตนะว่าทําไมเวลาที่เราบั น, นยะ เราจะก้าวออกจากบ้านเนี่ยเราจะตั้งใจทําดีนะวันนี้เราตั้งใจทําดีอย่างนี้ตั้งใจทําดีอย่างนี้อะไรเงี้ยนะแต่ปรากฏว่าพอก้าวเท้าออกจากบ้านไอ้ความตั้งใจทําดีก็ถูกวางเพราะมันอาจจะมีความท้อใจอาจจะมาเจอถนนรถติดทํำไมเป็นแบบนี้อะไรต่างๆนานาแล้วนี่ยสังคมมันไม่ดีเลยอะไรต่างๆก็แล้วแต่จะคิดไปอะเนาะอย่างเงี้ยอย่างนั้นแต่ว่านั้งคือไอ้ความตั้งใจทําดีมันก็ถูกวางเนาะถูกวางเนอะบางทีก็ตกใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมนี่ มันแล้วมันเล่านี่เราได้ทําหเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราก็เหมือนกับต่างแข็งแข็งนะนะเหมือนกับว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้ทาสิดคิดล้ายอะไรนี่ไม่ได้ทําผิดคิดล้ายนะแต่ว่าเอาก็จริงจรงนะแต่ว่ามีการรู้สึกว่าข้อมุสานี่ก็ยังนึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะเราต้องมุสาทุกบันเลยเหรอเนี่ย ที่เวลาอะไรนะก็เรียกว่าเวลาเวลาทํางานนะเวลาเรื่องการออกแบบเรื่องอะไรต่างๆนาน า, นานเหล่าเนี้ยหลวงพ่อว่ามันต้องใช้ความมุสาเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เรางพก็ไม่ไม่ได้พลาดไปเหมือนคนอื่นนะแต่หลวงพ่อดูดูตัวเอง น, นะวันที่เราก็ รู้สึกอายๆนะอย่างเงี้ยเอ็นี่เราออกแบบเลยว่าเราพูดเนี่ยบางทีมันก็เหมือนีัยว่าการออกแบบก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งแต่การในที่จะโน้มน้าวคนอื่นเห็นว่ามันสวยมันดีนะมันเป็นคําพูดมากกว่าอะไรต่างๆแต่นั้นก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็นเรื่องที่ร่างกายกับจิตใจนะมันมันเป็นความขัดแย้งมาเกิดความขัดแย้งมันก็เกิดความสับสนเกิดความสับสนท้ายจุดมันก็ทําให้เราเศร้าหมอง บางทีหน้าเราก็ยิ้มนะแต่ใจเราก็เศร้าหมองแล้วเราอยู่กับสังคมอย่างเงี้ยอยู่กับคนทํางานด้วยกันนะหลวงพ่อก็ไม่กล้าไม่ยิ้มนะเพราะว่านั่นคือถ้าเกิดมาเราเราคนหนึ่งเราเกิดหน้าบึ้งขึ้นมาหลวงพ่อว่ามันมีผลกับคนทํางานด้วยกันทั้งหมดนะ <c oughs> แล้วนั่นคือตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่กายกับใจนะมันมันมันไม่ค่อยสัมพันธ์กัน แต่ว่าเวลาที่เราอยู่กับอยู่กับกรรมฐานเราได้สังเกตคือเราไม่ต้องเหมือนกับว่าไม่ต้องอดทนกับสิ่งที่เป็นความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นในใจตรงนั้นอะถ้าเกิดว่าเราพอใจใครสักค น, นในที่ทํางนานมันก็กลายเป็นลำลำเอียงหรือใช่ไหมอ ย, อ, อย่างนี้นะอย่างนี้หรือเราไม่พอใจใครสักคนในที่ทํางนานเดี๋ยวมันก็คนอื่นก็หวาดไปหมดอะไรอยงี้ เอาถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าว่าพอเวลาที่เราอยู่กับอยู่กับกรรมฐานพวกนี้ยเราจะรู้เลยว่าไอ้ความคิดพอใจไม่พอใจมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจแต่มันเป็นสิ่งที่มันหมายเองนั่นคือสิ่งที่ท่าทีที่เราจะทํากับความคิดที่หมายเองคืออะไรอย่างไงทํำยังไง <c oughs> คุณมิระมั <sweep> กลับมารู้ตัวมันก็ไม่สนใจมันมาของ่นั้นเองอ่ะมันก็มีแค่นี้นะคความพอใจกับความไม่พอใจทุกคนก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นความผิดของเราที่เราพอใจไม่พอใจทุกคนก็มีแต่บัดถ้าเกิดเรารู้ว่ามันมาถ้าทีของเราก็คือกลับมากลับมาสู่การงานของเรากลับมาสู่การงานของเราไม่สนใจเขาก็<ๆ>าไปไหนก็เรื่องของเขาอะไรยเงี้ยคือตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับ มันก็ง่ายนะเมื่อก่อนอยู่กับทางโลกนะโลกธรรมเนี่ยใช่ไหมโลกธรรมแปดลาภยศสุขสรรเสริญนินทาเสื่อมลาภเสื่อมยศนะอย่างเงี้ยอย่างนั้นเป็นทุกข์เนี้ยมันก็สลับรับเปลี่ยนอยู่กับเราทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันมีผลกับจิตใจของเราฝ่ายฝ่ายลาภยศสุขสรรเจริญใจก็ฟูฝ่ายเสื่อมลาภเสื่อมยศใจก็แฟบอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ฟูเดี๋ยวก็แฟบเดี๋ยวก็ฟูเดี๋ยวก็แฟบแบบนี้อะไ้อย่างนั้นนะ ยิ่งเวลาที่เหมือนกับเวลาที่เราเหมือนกับเข้าสู่เวทีของการประชุมกันเพื่อที่ว่าจะตัดสินใจแบบนี้อันหงคนนั้นชมแล้วก็ฟูเดี๋ยวก็นิติแล้วก็แฟบอย่างเงี้ยไอฟ้ฟูฟูแฟบแฟบเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ว่าตรงนั้นเมื่อก่อนเราไม่มีสตินะพอไม่มีสติมันก็เกิดการฟูแฟบแต่พอเวลาเรามีสติก็อืมมัน ก, น ก, นก็แบบนี้นาะ ตอนนี้เขาชอบเดี๋ยวเขาก็ชังได้นะตอนนี้เขาว่าดีเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเดียวเขาก็โทรศัพท์มาเปลี่ยนได้นะอย่างเงี้ยนั่นนี่คือตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่พอเรามีสติพวกเนี้ยสิ่งต่ตางๆนานานที่มันเคยมีผลมากๆกับจิตใจเราเนี้ยมันก็ไม่รบกวนจิตใจแล้วจิตใจเราก็กลับมาสู่ความเป็นปกติได้มากขึ้นนั่นนี่คือตรงเนี้ยนะเราก็ให้เราดู อีกเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปสู่กระบวนการใหม่ก็คือกระบวนการของการที่มีอาหารว่าเป็นตัวล่อนะเดี๋ยวจมูกเราเนาะตาเรานะใช่ไหมอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นใช่ไหมอย่างเงี้ยจะเห็นจะได้กลิ่นนะอย่างเนี้ยเดี๋ยวความคิดก็จะเกิดขึ้น้ความจําก็จะเกิดขึ้นโอ้ไอ้นี่น่ากินไอ้นั่นไม่น่ากินอะไรเยอะๆไปหมดนะคือของพวกเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าหนมุมานเขียนบอกว่า มันจะทำใเกิดความคิดเยอะอาหารเนี่ยทําให้เกิดความคิดเยอะเลยแล้วถ้าเกิดว่าใช่ไหมเราเห็นความคิดเนี่ยเราก็ได้ฐานในการปฏิบัติถ้าเราเห็นความคิดเราก็ได้ฐานในการปฏิบัติไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้คิดนะแต่ให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นเองรู้ว่ามันอะไรเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นกับจิตใจเราถ้าเกิดว่าเราจําได้นะ ไออันนี้เราตักเพราะชอบเนี่ยพอเวลาที่มันมาอยู่ในจานพอเวลาที่มันจะเข้าปากล้วเรียนสนใจมันอยู่ไหมอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ใช่บางทีตักมาเพราะชอบเนี่ยบางทีก็เหมือนกับเวลาที่กินก็จริงจริงก็อาจจะขี้เกียว่าลองสังเกตดูเนาะแล้วก็เดีย๋ยวเราก็ลองอาศัยสถานการณ์ตอนกลางวันดูความเป็นไปของการ ข, ของใจเราแล้วก็ เสร็จแล้วก็มาปฏิบัติกันแล้วก็เดี๋ยวบ่ายโมงหรือว่ากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งอ่ะปรับพร้อมกัน <c oughs>